เจริญธรรมทุกๆคนอ้าววันนี้วันที่ 11 ธันวาคม 2557แรม 5 ค่ำเดือนอ้าย 5 น้อแหละจึงจะ อยู่แต่ว่าพุทธศักราชสิ้นปีนี้ก็สิ้นเดือน 58 ละ 2558 ละเอ้ออ้าววันเวลา 10 มิติอาตมาได้ๆจนแล 8 แล้ว มิติที่ 8 ก็ได้พยายามนําอธิบายนําบอกน่ะให้ทราบกันไปแล้ว 8 นี่ก็คือ อ่าเป็นที่ 1 ไล่มาที่ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 เข้าใจความรักที่เป็น ความรักคือความเห็นแก่ตัวที่แคบรักคือความเห็นแก่ตัวที่แคบอ่าๆเลยความรักแบบ ซึ่งเป็นความยุดติดเป็นอาการทางจิตของสัตว์โลกความยึดติดเป็นอาการทางจิตดุด้วยๆเลย แยกไปกันไปอะไรมันนี่ กิเลสครอบงํามันก็ 1 เนี่ยเออเห็นแก่นั่นแหละคู่ของตนเองเท่านั้นนะ เมตถุนนิยมนี่เป็นต้นแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆความจิตจริงๆเนี่ยจิตจริงๆจะเป็นจิตที่เจริญๆขึ้นมาความเอื้อเกลือกกว้างเนี่ยเอื้อเอือเกลือกกว้าง ความหันหลงไหลครั้งใครเนี่ยค่อยคลายออกคลายออกก็ถือว่าเป็นความคลเจริญของความรักความรักเป็นๆนี่เป็นความรักในโลก แล้วเผื่อลงมาในระดับที่มันน่ะอาตมาก็พยายามที่จะเอาเป็นรูปธรรมมาเป็นเครื่อง เป็นความเจริญแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมัน 2 มิติ 3 กว้างขึ้นอีกเจริญขึ้นอีกนะถึงญาติต่างๆนานา กว้างขึ้นเป็นญาติโกโยติกาก็ไม่ติด 4 ออกไปถึงมิตรสหายเพื่อนฝูงหน้า เสียสละผู้อื่นได้เผื่อแผ่ผู้อื่นได้ได้ลดลงลดลงลดจริงๆมันก็คือความเจริญ จํานวนกว้างขึ้นจากมิติ 1 2 3 4 5 กว้างไปสู่สังคมนอกจากมิตรสหายแล้วคน น่ะกว้างขึ้นไปเพื่อแพ้เอื้อหรือเป็นชาตินิยมขึ้นมากว้างขึ้นไปเพื่อแพ้เอื้อศึกษาอาตมาจึงนํามาเป็น สมเนียกรู้ให้ได้ๆมันควรจะต้องแผ่เผื่อแผ่กว้างขวาง ถึงคุณคนที่ควรรู้ปัญญารู้เข้าใจว่าเป็นความดีนะเพราะว่าออกไปเผื่อแผ่คนอื่นมันก็ต้องเอื้อเปรื้อๆได้รับผลประโยชน์ได้ ทั้งวัตถุอะไรต่างๆแต่รู้แต่ไม่ทํามันก็ครบทั้งนอกและในครบสมบูรณ์ด้วยความเป็นจริงความเป็นจริงก็ด้านทั้งนอกและ เราก็ต้องเป็นผู้มีประโยชน์กว้างขวางคนคนนั้นก็เป็นคนประเสริฐเป็นคนดีที่มีความรักชั้นสูงขึ้นสูงขึ้นและก็เป็น พยายามใช้ให้เป็นวิชาการของการศึกษาตั้งแต่เด็กไปจนๆประพฤติได้จริงๆให้เป็นจริงๆไม่ 7 จิตวิญญาณเลยเป็นจิตวิญญาณแม้แต่ศาสนาไหนๆที่สูงสุดเค้า เป็นความรักขั้นนิพพานขั้นนิพพานน่ะเป 8 เนี่ยอ๋อขอ 7 เป็นเทวนิยยมจริงๆและระดับ 8 ความเป็นจริง 1 มาแล้วก็ 7 นี่แหละมาถึงระดับที่ 7 นี่เป็นจริงได้จริงเลยเป็นจริงได้ๆด้วยระดับที่ 8 นี่จะเรียนรู้ๆตั้งแต่ ได้ข้าต้น 8 นี่เริ่มจาก 8 มหา 9 ก็ระดับที่ 9 เป็นวิมุตตินิยม จึงเป็นระดับที่สุดยอดนะเป็นระดับ 8 ก็เรียนรู้ไล่ลงมาแล้วก็ทําให้จริงทําให้จริงทําให้จริงขึ้นมาได้ด้วยจนถึง จุดจบก็คือเลิกเลิกมีความรักเพื่อตัวเองความๆน่ะ มันจะต้องเลิกเคนแก่ตัวๆเนี่ยจิตมันมีตัวอนุสัย ไปพยายามเข้าใจความหมายเข้าใจความหมายของความไม่ๆเพราะมันๆก็ ตอบและทําได้ก็เลยทําจนกระทั่งแข็งแรงทํา 7 เป็นผู้ 7 สูง ก็เหมือนกัน 7 เหมือน 8 ก็คือ 1 ถึง 7 รักผู้อื่น 8 นั้นเหมือนกันทว่าเป็นเนกขัมมะสิทธอุเบกขาหมดตัวหมดตนหมดจริงๆเพราะล้าง ไม่มีเวียนกลับชาติโน้นชาตินี้ก็ไปได้ตลอด แต่ปฏิกรรมเหมือนกันทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นความดีงามของศาสนา เจริญแล้วผ่านแล้วสูงขึ้นไปเรื่อยๆถาวรยั่งยืนอ่าถาวรยั่ง หรือว่าตัดสงสารก็ตัดว่าตัดดับว่าตัดสงสารเลยอย่างนี้เป็นต้นประเด็นที่มันต่างกันระหว่างรูปจึง ต่างกันตรงนี้เท่านั้นสรปฤติกรรมที่จะประพฤติกับสังคมทําได้รู้ดีว่าประโยชน์คนอื่นส่วนของพุทธนั้นชื่อว่าประโยชน์ตนพุทธนี่ มีแต่ประโยชน์เพื่อผู้อื่นแล้วก็เพื่อผู้อื่นไป ศาสนาเทวนิยมจึงไม่ยอมปะเอาศาสนาพุทธและ เหตุที่ไม่เอาก็เพราะว่าสั้นตา 1 ไม่มีภูมิปัญญาปนิตาอัตถกาวจรานิปุณนาบันดิตเวทเนยยา มันสูงเกินไปสูงเกินไปที่ภูมิธรรมของ เขาไม่รับยังไงก็ไม่รับไม่รับก็เพราะว่ากิเลสของเขาน่ะผู้ที่อเวนัยสัตว์ภูมิไม่ถึง แต่เขาไม่ยอมรับเพราะกิเลสเห็นที่เป็นหลักของศาสนาพุทธเลยคืออัตตานี่แหละความ ตีไม่ให้รับรู้ปิดประตูเลยประมาทระวังเลยน่ะไม่ ไม่มีสิทธิ์มาเรียนรู้ขนาดเรียนรู้มันยังเข้า เป็นรูปตะตะลูกกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตซึ่งเป็นความหมายชัดเจน 4 จิตมึกแน่นอนอยู่แล้วโดยของจิตแม้แต่ธรรมะก็ๆที่ เข้าใจไปถึงขั้นสามารถทําใจในใจเป็นถึงขั้นสามารถทําจริงจริงๆเอามาบอก ผู้ที่มีของตนเองได้ของตนเองจึงกายออกแยกจิตออก คำว่ากายขาดคําความหมายของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุข้างนอก เริ่มต้นตัวแรกที่เรียกว่าโลกุตตระเรเรเรเร 28 รูป 28 นั่นรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ ในจริงๆแล้วก็ต้องอธิบายแยกออกไปเลยเป็น 4 จึงเรียกว่ายึดให้ตายมันก็ไม่ใช่เรามหาภูตรูป ไปยึดทองคําเพชรพลอยสมบัติวัตถุมาเป็นของเรานี่คือพวกนั้นมันคือวัตถุทั้งนั้นมันคือกายที่จะ ซึ่งไปเอามาเป็นกายเป็นสิ่งที่มาเป็นตัวจริงๆปฏิภาณปัญญาก็พอรู้ จะเข้าใจว่าโอ้นี่เรายึดน่ะมันไม่ใช่เราแต่เรายึดเป็นเราเป็นของเราปัญญาไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็จะค่อยๆคลายเออค่อยๆไม่ยึดเพราะมันไม่ใช่จริงๆโดยสามัญความฉลาดมันพอเข้า random เป็เป็นของเราแล้วยิ่งหวงยิ่งแหนของข้าใคร 0 มิติ 0 นี่คือ 0 นี่คือ 1 ก็มี 2 มิติ 1 ไม่ 2 มิติที่ 0 ที่อาตมาไม่ได้หยิบมาอธิบายคืออัตตาแท้ เพราะเขาไม่ไม่รู้จักความเป็นอัตตาศาสนาๆๆๆเข้ามาจนแก้ไขไม่ได้เลยคนยึดมิติที่ 0 มึงนึกมึงเอาอะไรมันอะไรก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งสายปัญญาๆเนี่ยๆมันไม่ยึดว่าเป็นจริงๆได้ มันมันไม่ยึดใช่ธรรมดามันไม่ยึดแต่มันอยู่อยู่เออเอามาใช้พอสมควรเออไม่ใช่เราแต่ก็ หาทางแก้แค้นหาทางเอาคืนหาทางคิดนะแต่เค้าไม่รู้ตัวหรอกเค้ารู้แต่ว่าๆไม่ได้ปล่อยๆเลยเนี่ย อย่างที่กล่าวนี่เลยเหมือนกับพวกเราปฏิบัติธรรมได้ว่าเออเราก็ว่าโอ้โหนอกจากมาคืนมาแล้วยังคิดหาทาง นั่นน่ะตัวเองอ่ะคลายเป็นคนตอแหลกับตัวเองใครเคยตอแหลกับตัวโอ้โหเข้าใจยอมรับมันเรื่องจริงโอ้เนี่ยมันมันซับซ้อนมันละเอียดลึกซึ้งจริงๆนะเพราะๆให้จริงๆแล้ว ไอ้เปรียบมั่นถือมั่นมันไม่เจริญน้องจะไม่เจริญมันก็ทุกข์มันก็ไม่ประเสริฐอะไรว่าเราพยายามอย่างของเรานี่ มันมีรูปธรรมที่ชัดเจนองค์รวมองค์ใหญ่รูปใจใหญ่มันเป็นไอ้รูป Joy มัน ส่วนตัวนั้นกับตัวใครตัวนั้นขยับหน่อยก็เห็นบ้างใครไม่หยาบก็ไม่ก็เห็นใครสักลบ มันเป็นเช่นนี้น่ะแล้วก็จะยอมรับคือเออมัน ถ้าไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวหรอกจริงๆแต่โดยองค์รวมเหมือน ไอ้ทําเป็นมวลของสังคมกลุ่มของทั้งเลยไม่มีวัฒนธรรมระบอบพิธีที่ภิกษุภิกษุณีนักบวชชายรวมทั้ง 4 สภาพ ส่วนบาศออุบาสิกายังทําไม่ได้ๆแม่แต่สิทธิแต่สิทธิซึ่งไม่ค่อยเข้า นะมันเปลี่ยนไปหมดเราจึงมาทําได้ นะ. ลดกิเลสได้จริงล้างกิเลสไม่ต้องเวียนกลับอุปปโตภาคอ่าจิตก็ลดกิเลสมั่นเป็นเจตสโออภินิโรปนาปักไม่ จิตมันมีตัวจริงพวกนี้หมดเลยอันนั้นก็คนจริงซึ่ง ส่วนมากเป็นวิบากวิบากมันดึงให้ออกไปเป็นวิบากก็ส่วนใหญ่พอบวชแล้วเนี่ยไม่ว่าหญิงไม่ มันเป็นจั่นแจนที่ปลูกฝังลงไปแล้วในตัว นะมันก็ได้จะช่วยเข้าไปแล้วก็ไม่ได้มีมวลรวมแล้วก็ไม่ได้อยู่ร่วมไม่ได้อยู่ร่วมกันรวม ก็เสาะแสวงหากันทุกวันนี้เนี่ยเรานี่ถูกเราก็ไม่ได้ขนขวายเพื่อที่จะ ไม่รู้ขีดความต้องการของมนุษย์ 7 พันล้าน ในโลกนี้น่ะเค้ามีภูมิธรรมอะไรแค่ไหนตรวจสอบไม่ได้ยังพระพุทธเจ้าท่านตรวจสอบได้ตรวจสอบง่ายๆก็เอ้อมันคงสอนไม่ได้หรอก 35 ตรัสรู้ก็รู้แล้วมนุษย์ เพ่งเล็งตรวจธรรมพุทธกาละพุทธุปการะตรวจสอบในยุคโอ้ผู้มีธุลีในดวง ที่มีภูมิมาทําถึงขั้นจะตรวจสอบพุทธทุกขปาราธกาลนะพุทธปาตกาอัตมา 7,000 ล้านคนในยุคนี้ ไม่ใหญ่ๆอิสลามก็ๆเค้ากว้างมากกว่ากัน ในอนาคตต่อไปข้างหน้าน่ะคนมันต้องการแบบนี้แหละต้องการ ในมนุษย์ในโลกที่ทั้งโลกทั้งศาสนาอื่นก็เป็นความรักของพระเจ้า เพราะมันไม่ซับซ้อนมันไม่มันไม่มีปฏิกิริยาซับซ้อนๆเลย พลังงานทางจิตวิญญาณเนี่ยแม้แต่ อันนี้เนี่ยอาตมามั่นใจว่าของพุทธมัน อาตมาตายไปแล้วนั่นแหละสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่เพราะพวกคุณจะนําพาต่อไปๆล้านๆไหลๆด้วยว่าผู้ แต่มันไม่น่าจะถึง 1,000 ปีนะมันน่าจะเจอก่อนร้อยเป็นร้อยปีเท่านั้นน่ะคงไม่หลายร้อยนี่นะๆนี่นะพุทธคุณ อาตมาเชื่อว่าจะเห็นจะเห็นความตื่นตัวอ่าจะเห็นความความเข้าใจความจริงอันประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจจะเห็นคนโอ้เข้าใจความจริงอันประเสริฐ ผู้หรือแม้แต่วัฒนธรรมแม้แต่ประเบียบระบบเนื้อมีคนมากพอหรือแม้แต่ โอ้มันหมายความว่าไฟอะไรดับเนี่ยฮะไฟที่ดับเนี่ยไฟอะไร ลองหามันเป็นอะไรเออถ้ามันดับเป็นนานก็เราเออมันเกิดเหตุการณ์นั้นนั้นเนาะ <c oughs> อ่าเอาๆเอาละก็ฝากไปเท่านั้นเองอ้าวซึ่งอาตมา มันจะเร็วช่วยชีวิตคุณเองคุณแม่จะไม่ถึง 151 เม็ดอัตมาก็จะได้เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ย ไม่ไปบังคับไม่ไปเร่งเร้าอะไรหรอกบอกให้เพราะฉะนั้นถ้า โอ้ไฟฟ้านี่แค่ลมแรงแค่นั้นมันก็พัดดับได้เนาะปฐโลระมีเห็นแต่เปลวไฟนี่พัดลมแรงๆพับมันก็ดับเปลวอ่ะบอกให้ดับไฟฟ้าเค้าก็ แล้วหลอดไฟเอาปากไปเป่าหลอดไฟ ภาคเพียรก็คือ 8 โดยปฏิบัติมรรค 7 องค์นี้ได้ถูกต้องบริบูรณ์นั่น อง. 7 องค์ได้ถูกต้ององ 37 ขยายออกไปเป็นปฏิปักษ์ที่ 37 ก็จะต้องเริ่มต้นที่กายของรูปและนาม ตั้งแต่มหาภูตรูปข้างนอกทั้งหมดแล้วเราก็เกี่ยว เป็นธาตุรู้ขึ้นมาเนี่ยเรียกอันนี้ว่านามนี่ เป็นวิญญาณผีหรือวิญญาณเทวดาฮะโอ้ทําไมเลยก็เป็นวิญญาณผีเพราะฉะนั้นเราก็รู้องค์ประชุมรู้องค์รวมองค์ จึงเรียกว่าผีแล้วองค์รวมที่มันปรุงแต่งกันอยู่ แต่กายะวิญญาณก็เป็นการเรียกนามรวมๆวิญญาณรวม ต้องอ่านตัวนี้เป็นการภาคเพียงเรียนรู้เลยอ่านตัวนี้เป็นการภาคเพียร ได้อ่านได้พยายามอ่านได้พยายามเรียนรู้ตัวนี้มาหรือเปล่าอ่าถ้า อนาคามีขึ้นไปก็หมดกามภพข้างนอก ไอ้เป็นเรื่องเพศสมมุติว่าเป็นเรื่องเพศได้ก่อนเป็นเรื่องเพศวิญญาณคําว่า พะษ File ัศศท heard it like math about. พะษ possible to learn why? วิญญญญ overly framed y porn and deacig Usually aqueles that neotic've controlled ep colle whether in the game lived! แล้ววิญญญญ Ahora mean you were dead. ๆนานา in every. UB인지 not even but missing feeling there is no damage everything. แต่มันไม่ถูกต้องในทิศติศ compassion and compassion of deportation. หรือ Мыตรงตามคำถอร blaming bWA ф. 'W 뜨 Valve czas to 그리고 któreiasm be able to undermine เรียนรู้มันให้ได้สิวิญญาณไอ้ตัวนั้นน่ะมันเป็นตัวจะไปทําอะไรมันได้ล่ะตายไปแล้วพาโวไม่มันโตและ แค่คุณนอนหลับนี่คุณยังไม่มีสติไปคุมอะไรในภพที่มันหลับมันฝันมันเพ้อมันเป็นบ้าเป็นบอ ตายไปแล้วไม่มีเลยนี่ตาหูประสาทที่จะไปๆเลยไม่ต้องไปทํา อาการ 32 ครบนี่สุรภาโวอาการ 32 ครบสติมันโตใช้สติที่จะมาควบคุมมาศึกษาฝึกฝนได้เต็มที่นี่ไอ้หนุ่มมันไม่ได้ประสาทรูป สงครามนรกสงครามสวรรค์อะไรโอ้โหยิ่งของศาสนาจีนของจีนยิ่งโอ้โห เป็นเรื่องคนกลัวความชั่วควรจะต้องภาคเพียรเป็นความดีกัน ที่เป็นสมาธิทิแล้วต้องเกิดในปัจจุบันที่มีกายมีองค์ประกอบของมหาภูตรูปกับจิตวิญญาณสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วเกิดลัดๆเดี๋ยวเห็นวิญญาณมีปัสสะ 3 เดี๋ยวนี่แหละคือวิญญาณที่จะเรียกว่ากาย พอผู้เจ้าตัดถึงขนาดนั้นตัดทิ้งไปเลยว่าตายไม่ต้องไปพูดขาดเหตุปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัย<ใช> แต่ว่าเอมันดําปื้ปืออยู่เงี้ยดําตลอดกาลแล้วพออ่ะต่อนะเราไม่รู้วิญญาณผีเรื่องกาม เทพพบุตตมานกามเทพนี่แหละคือเทพปบุตตมานเทพทันกามๆนี่มานเทพปบุตตมานก็คือ เอาตัวแรกเลยกามปิติที่ 1 เอกามนิยมเนี่ยหรือเมถุนธรรมเนี่ยเมถุนนิยมเนี่ยซึ่งเพศคู่นี่แหละซึ่งเป็นสัญชาตญาณต่อเผ่าต่อพันแต่การเสพสมสุขสมเนี่ยมันมัน แต่แท้จริงไม่ใช่ไม่มีรถๆร้อนๆเพราะสัตว์บางชนิดนี่มันโอ้โหมันฆ่ากันตายเลยแต่มันก็ เป็นผีหลอกสนิกผีหลอกสนิทเป็นผีหลอกที่อื้อหือหลอกกันได้หน้าเป็นชัดจนกระทั่งพูดยังไงก็ไม่กระเชื่อมนต์ของเป มันมันแข็งทื่อเป็นก้อนมันไม่ซึมไม่ซับอะไรเลยนะเพราะทําอย่างไรเราจะรู้จักผีตัวที่จะ ใครอยากได้อยากมีอยากเป็นตั้งแต่ใครของใครอ่ะมันรู้สึก ถ้ายังไม่เป็นอนาคามีก็ตรวจใจตัวเองมันยังมีนะเรายังอยากได้นั่นดีไม่ดีก็อยากได้ขนมอยากได้อะไรมานะ อายเหมือนกันนะมาดูบางทีเค้าจับได้ก็อายเค้าเหมือนกันแต่ก็ทําเหล่เรียนพื้นๆต้นๆ มันไม่ใช่เรื่องสูงเรื่องท่งอะไรเนี่ยพรสภาเพียนคืออะไรอ่านวิญญาณผีพวกนี้วิญญาณผีทั้งเพราะอ่านให้ดีนี่แหละ มันยังคล้ายมันยังติดมันยังยึดเราเป็นของเราอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วคุณก็มีวิธีจะปะหาน ตรงกระทั่งมันหายไปมันดับได้ไปเรื่อยๆมันก็จะเจริญอื่นๆ แต่เราทําตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าของเหลือเกินเนี่ยฟังดีๆเป็นของๆนานาเอ้ยเจ้าพระคุณ ใครทําอยู่แผนกไหนงานไหนจะติดยึดฐาน นี่คือภาคปฏิบัติอธิบายอธิบายมันก็อาตมาว่ามันง่ายขึ้นชัดขึ้นฟังเข้าใจได้เด็กๆครับ กินข้าวก็พอแล้วไม่ต้องไปแย่งขนมอ่ะถ้าไม่กินขนมนี่ๆกับอาหารทุกวันเนี่ยตายมั้ยตายมั้ยไม่ตายไม่ต้องกินขนมก็ไม่ นี่ก็พยายามอธิบายสอนลึกละเอียดแล้วก็ง่ายขึ้นก็ที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 อะไรก็แล้วแต่ที่จะเอื้อเอ้อกว้างในสิ่งที่มันตึกซึ้ง ก็ยังเอามาใกล้ตัวยึดอย่างนั้นยึดอย่างนี้วัตถุอย่างนั้นเข้าคล้องอย่างนี้สมบัติอย่างนั้นสมบัติ บำเรอกิเลสตัวเองก็เทวดาแท้ก็พยายามเรียนรู้ให้รู้ความจริงแล้วก็กล้ากิเลสมันหรือเป็นพรหมต้องตั้งถึง เป็นพระจริงๆแล้วก็มีภูมิปัญญาต้องคงพูดแล้วไม่จะเป็นพระพรหมที่ เป็นเศรษฐศาสตร์เพราะงั้นศาสนาพุทธจึงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ รู้ด้วยว่าควรจะแจกใครควรจะทําทานเพื่อ จะไปเป็นนักการเมืองรับหน้าที่เลยก็อัน หน้าผีรับกับจับกําชาทั้งเรื่องว่าเราจะแต่กายสังขารมันก็คือจิตอ่านจิตที่เป็นวิญญาณ ก็คือกายในกายเวทนาจิตธรรมองค์ประชุมขึ้น ตัวนี้วิญญาณผีก็คือองค์ประชุมของรูปนามนามรูปเนี่ยมันก็เป็นเวทนาเป็นอารมณ์ที่มีจิตที่เป็นตัวเหตุผีก็เออชอบใจดี เสเลกะฝังลงไปเป็นผีแท้คืออนุสัยพอได้สม เอาอีกได้แล้วผ่านไปแล้วหยุดไปแล้วผ่านเสร็จ แบบไปแบบมาไปแบบมาหมดปัสสาวะก็ไม่มีจริงแล้วจะระลึกอร่อยอีกดีไม่ดีกินขี้นั่นน่ะอีกมันจบไปอีกกิน ก็อร่อยอีกนะบางคนอร่อยกว่าเก่าด้วยนี่มาปรุงใส่อารมณ์ตัวเองน่ะมันยิ่งกว่าพออารมณ์มันต้องลงทุนมันต้องลงแรงมันต้องมีประจำนี่ไม่ต้องเลยเว้ยของเองเลยหลายคนก็ <c oughs> เนี่ยเลบิดเองเสพเองปั่นเองอร่อยเองงมงายซะไม่มีแล้วเมื่อไหร่ 23 นาทีแล้ว 20 กว่า 25 แล้ว 23 นาที เอาถามทีนี้ทีอ้าวใครเอาแจกบะกะโลใครเป็นเมสเซนเจอร์เอา และผู้ยื่นวัตถุยื่นศาลไม่ใช่เมสเซนเจอร์มันพูดไปส่งศาลส่งข่าวอันนี้ไม่ใช่ส่งข่าวไปส่งของอ้าวเออเอายกมาทั้งตะกร้าเลยอ้าวใคร น้าอ๋อเด็กเอื้อดินฟ้านี่รู้จักหน้าที่ๆอ้าวไม่มีผู้ใหญ่ไงตรัสโน่นข้างหลังเงื้อยก ได้บัณฑิตแล้วเอาเลยอ้าวทําไมมันไม่ติดๆก็รู้ พี่ฉีกหน้าผีก็ขอยกตัวอย่างตอนที่เด็กๆเข้าฐานนะคะลูกหลานเค้าจะ กินซะก่อนน่ะบอกก็บ่ทันน่ะค่ะแล้วก็มีมะขามค่ะตอนแต่ว่า 2 วันมานี้รู้สึกชื่น มะขามที่กําลังสุกเค้าก็ไม่กล้าไปแตะเลยนะคะเออก็รู้สึกว่าเออไอ้นี้เค้าระงับให้สติให้สติแล้วเค้าก็ทําตามได้ทั้งเออ 6 ที่ไปทั้ง นมัสการแค่นี้ฮะอ่าอันนี้แหละสังคมสิ่งแวดล้อมดีมิตรดีสหายดีแล้วก็ได้รับคําสอนกันดีๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนเรามัน คนทวงธรรมก็เออมีตั้งสติเค้าก็รู้ตัวใช่มั้ยเนี่ยมันเป็นผลเป็นประโยชน์อยู่อย่างน้อยที่สุดๆมันพูดยังไงไม่ ครับก็ครับเอาเลยจริงๆเรื่องไฟฟ้านะครับผมชะล่าใจเนาะว่ามันเลยว่าหน้าเรื่อง อาเทวานิยมนิพพานนิยมทีนี้อยากมีมันมีความข้องใจในเรื่องว่าการสํารอกกรรม<ส> เราเรียกว่ากรรมอดีเราเรียกว่ากรรมอดีตที่หมายความว่ากรรมที่เราทําเสร็จไปแล้วเรียกด้วยภาษาว่าวิบากผลของกรรม เพิ่มภูมิไปเพิ่มภูมิหรือหรือโลกวิโธหรือช่วยโลกอะไรที่ต้องทุกๆกรรมเนี่ยต้องเอาฟังคําตอบคําถาม เราคําถามว่าที่ถามนี่คือมันยังงงๆสงสัย น่ะเป็นกรรมสึกกรรมเป็นของของตนแน่นอนทําแล้วเป็นอันเป็นเป็นอันเป็นเราเป็นของเราทีนี้ที่ สมรอกกรรมนั้นหมายความว่าการกระทําปัจจุบันเมื่อกี้ก็พูดแล้วว่ากรรมว่ากรรมอดีตกรรม คุณยังทําอยู่คุณยังชํานาญอยู่คุณยังทําเอาเอาพระอรหันต์เลยพระกรรมเป็นกรรมกรรม เหตุตัวที่มันพาให้ทําคือจิตอกุศลนั้นมันตายหมดแล้วเพราะเมื่อมันตายหมดแล้วมันก็ไม่มีจิตอกุศลเกิดอีกในใจ แม้ว่าสมรอกกรรมหมดเกลี้ยงก็ไม่มีในปัจจุบันทุกปัจจุบันแต่ กำแพงหรือเป็นอาตมาใช้ดัดจริตใช้ว่าบัฟเฟอร์มึงเป็นวอลมึงมันกันเพราะพระอรหันต์นั้นท่านทําแต่กรรมใหม่ที่เป็นกุศลๆไกล มันก็ไม่มีทางกรรมไม่เพื่อจะวิ่งมันมีมื้ออื่นมาไล่เนื้อเพราะฉะนั้นจึงมีวิบากตามอยู่แม้ขนาดพระพุทธเจ้ากรรมที่มันยังวิ่งไล่มาตามๆเราก็ จะล้างกรรมวิบากที่แม้จะเป็นอดีตได้ก็ต่อเมื่อปรินิพพานหมดเพราะไม่มีแล้วอัตตภาพหมดสลายขันธ์จะ 5 มีสํารอกกรรมคือสํารอกกรรมที่มันมีพฤติกรรมที่เราเอง เพราะฉะนั้นไม่ทํากรรมชั่วไม่ทํากรรมบาปไม่มีกิเลสไปทํากรรมไม่กรรมกรรมไม่ เพราะปรหาหันสิ้นตบะบุลไม่จะสิ้นกรรม <laughs> กราบบังอาจครับเอ้าไม่ไม่สงสัยชัดแล้วทั้งนั้นคนคนเก่าเอ้าๆก่อนเอ้าๆเอาเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทํากราบนักศึกษา เราจะต้องเรียนรู้ความรักไล่มาตั้งแต่มิติแรกๆจนกระทั่งถึงมิติเร 7 มิติ 8 ที่ 9 นี่นะครับแต่ทีนี้ผม ยังห่วงว่าเอ๊ะแล้วแล้วท่านผู้อยากเป็นคนโสดอย่างนี้ล่ะครับท่านท่านจะศึกษายังไงความรักศีมีติอ้าวตกลงจะศึกษายังไงอ่ะศึกษากิเลสมันเกิดอ่ะสิมันเกิดมาเนี่ยมันก็มันยังไม่ได้ ถ้าคุณไม่มีอาการที่เกิดเลยคุณไม่มีอาการที่เกิดเลยไม่เกิดกามเมถุนกับใครเลยและคุณก็ยังเป็น ใช่มั้ยแต่มาอยู่ที่นี่ดีแล้วอ่าแต่ที่นี่อย่างว่าอะไรญาติมัน ก็ดีคือคุณไม่รู้จะปฏิบัติไม่ปฏิบัติโอไม่ใช่ไม่ปฏิบัติคือคุณไม่รู้น่ะขึ้นเวที ตอนนี้ก็ปิดปิดเวทีแล้วตอนนี้ก็ประกวดจะไปขึ้นอ่าก็ เอาเลยได้ไมโครโฟนแล้วก็ถามเลยค่ะอ้าวตัดหน้าค่ะดิฉันหนึ่งฟ้าค่ะอยากอยากจะกราบ ปจเวคขณะยานนะคะมันมีความคล้ายความต่างระดับกันโอ้โหค่ะอาตมายังจําไม่ได้เลยที่ ว่าอะไรนะปฏิณิสสคานุปัสสีปฏิณิสสคากับปฏิณิสสคานุปัสสีค่ะแล้วก็สัจจานุโลมิกายานสัตตานุโลมิกายานปัจจเวคณยานปัจจเวคณยานค่ะไอ้ปฏิปฏิณิสสคากับปฏิณิสสคานุปัสสีมันอันเดียวกันนั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าปฏิณิสสคะกับปฏิณิสสคานุปัสสีก็มีอนุปัสสีเพิ่มขึ้นอนุปัสสีแปล อัตตวิจิกิจฉากรคําแรกวิจิกิจฉาก็คือมันมันสงสัยมันยังไม่รู้มันยังไม่คลายหายข้องใจ มันทําไปแล้วมันได้ไปบ้างแล้วแต่มันก็ยังความสงสัย คือความมันยังไม่เข้าๆคือยังเช่นเออเราจับตัวกิเลสตัวนี้ได้แล้วนี่ใช่กิเลสของเรานี่ราคะราคะมิติที่ 1 ราคะมิติที่ จับตัวกิเลสตัวจริงของมันได้น่ะเราก็ยังหมดหรือยังมันจะเกิดอีกมั้ยเนี่ย ชัดหมดทีนี้ปฏินิสักขะก็คืออย่างนั่นคือฟิชิกิจฉาทีนี้ปฏิณิสสัคคะก็ นิสัคคะเพราะว่าไม่มีสวรรค์ก็หมายความว่าล้างกิเลสตัวเหตุนี้แล้วมันไม่มีนรกไม่มีสวรรค์คือล้างตัวผีสัตว์นรก เราทําได้อย่างนี้แหละอย่างที่เราทําให้ ปจระปฏิณิสสัคคะกับปฏิณิสสานุปัสสีก็หมายความว่าอนุปัสสีคือการเห็นตามทบทวนดูเลยเออเห็นตาม ได้ยังไงไม่ได้ยังไงได้เท่าไหร่ครูจะตัดสินจบได้หรือยังไม่รู้เรื่องก็แสดงว่าไม่มีอนุปัสสีพระพุทธเจ้าให้ตาม ละเอียดละออจริงจังทุกอย่างเลยไม่ใช่มีอะไรคุ้มเครือไม่จะมีอะไรหลอกล่อไม่จริงๆแล้วจัดการกิเลส ปฏิเนสคานุปัสสิในคุณทําสําเร็จปฏิคุณทําให้สวรรค์นั้นหมดไม่มีสวรรค์นิสัคคะนะนั่นคือ ที่เข้าใจชัดในสะอุตตรจิตจิตที่ดีแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกมันไม่สงสัยคุณก็ทําต่อไปทําต่อไป ทบทวนเป็นการรักษาผลปริสุทธาปริโยทาตามุทุคัมมัญญตาปพรสราเป็นเนื้อหาชัดเลยว่ามันบริสุทธิ์อนุโลมเออสัจจานุโลมนิยานีคุณธรรม ประโยชน์ตาตามให้คําว่าความบริสุทธิ์ที่อยู่กับสังคมแล้วก็ช่วยสังคมเพิ่มขึ้นมันก็ช่วย มันบริบูรณ์ยังไงมันๆค่ะแล้ว มันมีเขตแบ่งตัดกันตรงแค่ว่ามีค่ะทีนี้มี 30 ปีเค้าก็เข้าใจนอน วันดีคืนดีเค้ามีคนเอาเนื้อสัตว์มาให้ทดลองกินอาหาร 30 ปี นี่เช่นยังอร่อยอยู่หรือนี่ประเด็นก็คือว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยเค้าไม่คิดจะกินก็ได้ไม่จําเป็นต้องกินแต่ที่กินเพราะว่ามีคนอยากให้ลองดูซิว่ากินแล้วมันจะยังอร่อยหรือเปล่าอีแค่รอยเปรียญผ่านตรงนี้ก็คือแค่มีปัญญาอ่านรู้ว่าไม่มีวิจิกิจฉาแล้วในเรื่องของ โดยที่เค้าไม่ไม่ใช่ความจริงรดไม่ได้อยากแต่เค้ากินเค้าก็ได้ กินเข้ามันก็มีรสนี่ขึ้นมาให้เห็นได้แต่กิน จำมากหรือน้อยก็แล้วแต่เค้าอ่ะแต่ถ้าเค้าขาดจริงเค้าก็ไม่มีแต่ความนะความจํามัน ขอบพระคุณค่ะอ่าคุณถามอีกตัวนึงไม่ได้ตอบปัจเจกขณะแต่ว่าเอา ลูกหลานเอาคนสุดท้ายแล้วนะนี่ Oh, mm hmm. เออก็ต้องเอาความจริงเอาความรู้ที่รอบยังเห็นแก่กรอบมีกรอบระวังไอ้นี่มันเฉพาะแต่ อ่านอาการมันจึงเรียกว่าดูเครื่องหมายดูนิมิตดูอาการของมันแล้วคุณก็เออมันอย่างนี้ขนาดเนี้ยเพราะมันเอออย่าง ก็ยังไปเผื่อแผ่เกื้อกูลเสียสละให้แก่ลูก มันก็ต้องดูจิตของเราว่าเรากล้าหาญเราเพื่อแผ่ คุณก็รู้อาการได้อาการโลภเป็นอย่างงี้เออแล้วก็กําหนดได้อาการนี้มันเกิดมันได้กําหนดหมายเอาเอง เอออ้าวที่นี่นักบวชอ่าเมื่อกี้มันเลยไปประมาณ <laughs> 5 นาทีเฮาเอ <12, S 2> 10 นาทีเออผมขอครับอ้าวคือผมได้ยิน <12, S> 2, <laughs> 2> ครับนะนะคร คือพี่ชายผมเนี่ยไปอัดเพลงนี้มาสมัยก่อนเนี่ย นะครับคุณน้องต้นจะบาดไปนะผมก็อยากจะรู้ว่า บรรยากาศเพลงตายเพ้อเนี่ยมันมันมันมันได้ใจผมมากอยู่ชั้น นะแต่ก็เอาผมจะเดินไปบ้านเธอตากันบ่อยมากฮะโอ้แต่ว่าไม่มีไม่ นะแล้วก็มองข้ามถนนไปเออแล้วๆฮะแล้วมันก็ ก็ตายเพ้อนี่แต่งก่อนแต่งตั้งแต่ทําขวัญดาวทําตั้งชื่อเค้าได้ นะเค้าชื่อเสรีไทยนามสกุลจําไม่ได้ละนะๆดิ่งๆตะดิ่งติ่ง ผมแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อจะมันเป็นกระต่ายเพ้อกับมันอยู่ในหนังเรื่องนี้มันก็อย่างนั้นน่ะมันไป มันไม่อยากมันมันรู้สึกว่ามันมันจะยากอ่ะมันมันรู้สึกยากอ่ะมันมันมันไม่อินน่ะ ไม่เอาผมก็ไม่มีปัญหาก็เพลงอยู่ในหนังน่ะมันไม่ได้ใส่หมดทั้ง 12 เพลงเพราะ 12 เพลงผมก็เอาเพลงนี้ใส่อัดในแผ่นแล้วเพลงๆผมก็ เท่าที่มันมีมันไม่ได้หมด 12 เพลงในหนังมันไม่มีถึง 12 เพลงแสดงว่าเพลงกระต่ายเพ้อเนี่ยพ่อครู ไอ้เพลงผู้แพ้มันเป็นเพลงถ้าผู้แพ้รักน่ะมันเพลงของสุนทรภรณ์ มันแพ้สุแพ้จนศูนย์สิ้นสลายอ่ะตอนแรกพ้มก็แถม มันไม่ได้ไปแพ้เกมรักเท่านั้นเองเท่านั้นเท่านั้นแต่พอเพลงไก่ใต้เพ้อเนี่ยพระครูไปปรับใหม่ จนกระทั่งพวกปฏิพลนี่ก็บอกฟังเพลงพ่อท่านแล้วนี่มันเหมือนฟังเทศน์ทั้งนั้นเลยเพลงแต่เป็นท่านเทศน์โลกุตระด้วยนะเนื้อหาโลกุตระด้วยก็ก็ผมเล่าพระพะจิตใจตอนยุคสมัยผมอยู่ชั้น ม.2 ม.3 ก็ มันก็ไม่ใช่ว่าแต่งมาบวชแล้วไม่ใช่แต่งนี่แหละแต่งแต่งให้ใส่ทั้งโทน <c oughs> <c oughs> เอาใครอีกมีเวลาอีก 5 นาทีเอ้าสวัสดีครับพ่อครูครับอ้าวตรงๆนะคะ คือแล้วก็ตั้งใจนะคะว่าชานี้เราก็ว่ากลัวว่ากลัวจะไปแต่งงานตอนนี้เมื่อกี้พระครูแทน ก็ก็คณะพุทธเจ้ายังมีวิบากเลยเอ๊ะเราจะไปเที่ยวพุทธเจ้าทําไมเมื่อกี้ว่ากูท้อแท้ทําได้ทําได้เรื่องนี้มันไม่ใหญ่มากเท่า จิตมันมีตัวจริงอย่างนี้หมดเลยอันนี้ตอนที่ใหม่ๆนะคะกลัวกลัวกลัวว่าเราจะพูดธรรมะจรรย์จะ ไม่วางใจเรื่องว่าเราจะมีวิบากในชาติหน้าอย่างเงี้ยอ๋อเรื่องวิบากก็ๆมันก็ มันก็ไม่มีที่จะมีเชื้อมีอะไรต่ออีกเลยทีนี้ ลดได้นะขอบพระเลยเรื่องนี้อ้าวใครอีกนักบวชอีกท่านท่านอ้าวแบ่ง ที่เรียนหมองฟังขอต่อจากที่มาตรงธรรมนะคะว่าถ้าเราไม่รักอ่ะถ้าเราไม่อ่ะความทุกข์มันไม่หลงเค้าอืมมันอยู่ที่เรา ตรงนี้ให้ขอเติมต่อตรงนี้นะฮะเมื่อวานนี่คุยไปคุยกับๆเมื่อวานๆคล้ายๆก็ฟังอะไรต่ออะไรหลายอ่ะที่จะมาอยู่อ่ะอะไรต่ออะไรทิ้งบริษัททิ้งว่าจะสูญเสียถ้าอยู่ไม่ได้พี่เป็ด เขาเคยสร้างมาได้อ่ะถ้าเค้าอยู่ไม่ได้เค้าก็กลับไปอ่ะมันจะไม่กลัวตอนนี้ก็ต่อเดี๋ยวก็มา ก็ว่าเตียงหักของดาลาเด็กสมุนพราหมณ์ฮะว่าเตียงหักของดาราเนี่ยเค้าหมายความ ถึงกับอกหัก 60% เออถ้าถูกที่สุดรุ่นพี่ก็ตอบว่าอย่าล้างเออแล้วก็หาใหม่แล้วก็หาใหม่ว่าเออความรักเนี่ยเหมือนที่คุณไว้ใจ เห็นเด็กๆร้องเที่ยงคืนที่ 1 เนี่ยแคว๊กๆเนี่ยเราตื่นมาไม่ลำบากเออเราเอง ปําๆอยู่ในห้วงนั้นแต่คนที่ออกจากห้วงนั้นน่ะมันเหมือนคนนั้นนะทําไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้ทั้งว่าอารมณ์เหล่านี้มันก็ทํา<อ> 10 วันเค้าก็บอกว่าปีเลยไปกราบพ่อครูที่โรงศรีโยมคนนึงก็บอกว่าเห็นพ่อครูเหมือน 20 ปีเลยฮะอะไรนะโยมครับตาเป็น อ่ะฟังต่อได้ครับเดี๋ยวต่ออีกคนก็บอกว่าเหมือน 40 เค้าถามผมว่าแล้วท่าน น้อยกว่าพวกครูได้ไงต้องอายุมากกว่ามันเดินไม่ทันจริงๆผมแก้งเดินเร็วมั้งนั่นน่ะอันนี้เค้าๆครับ แล้วเค้าคงก็บอกอาจจะเป็นพนักงานจิตของพวกครูที่มีพลังงานมากก็ได้ทําให้รู้สึกว่ามีพลังงานที่ความเป็นหนุ่มเพราะว่าในไปผมบอกว่าตาของพวกครูเนี่ยมันมันหนุ่มมากเลยมันเป็นมีพลังงานสูงมากนั้นเนี่ยคุณอาจจะสัมภาษณ์ตรงนี้ด้วยก็ได้ที่เป็นอยู่แล้วเค้าก็ถามคําถาม เขาอยากจะไม่อยากแต่งงานกันเลยพยายามตั้งจิตแบบนี้เขาจะเลิกได้มั้ยผมก็บอกว่ามันยากเขเขเขเข 10 วัน นะดีใจก็สุขมากกายก็ดีจิตก็ดีมีความสุขมากเหมือนขึ้นสวรรค์เขาบอกนั้นแต่เขา <laughs> มันเบื่อโลกๆเหมือนเรากินอาหารซ้ําไปตั้งสิบบ้านแล้วพี่ <ari> เพราะฉะนั้นได้ความเบื่อนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนว่ามันเบื่อที่จริงเพราะเป็นล้างเหตุของจิตเกิดปัญญาเสด สุดท้ายของความรู้อุปโตภาคมิมุตโตจบเพราะจะจบได้แล้วจะเห็นโทษเห็นต่างๆมันสูงสุดมันจริงอย่างนั้นหรือไม่เท่าแต่เค้า เขาเริ่มเห็นทั้งบ่อเออความเบื่อหน่ายนั้นมันก็ เลื่อยไปใส่ไลน์นาทีเลยน่ะ